เท่าไรเป็นอกุศลเท่าไรเป็นอัพยกฤตเท่าไรเป็นเหตุให้สัตวด ร, ร้องไห้เท่าไรไม่เป็นเหตุให้สัตวด ร, ร้องไห้หนึ่งเตึกกะมาเตึกาวิสัชนาหนึ่งถึงยี่สิสองกุสลาเตึกกาทิวิสัชนาสติปฐานสี่ที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอัพยกฤะก็มีละถึงสติปฐานสี่ที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาก็มี ที่สัมปยุทธ์ด้วยุกขมรสกเวทนาก็มีสติปฐานสี่ที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีสติปทานสี่กรรมอันประกอบด้วยกันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานสติปทานสี่กิเลสไม่ทําให้เศร้ามองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสสติปฐานสี่ที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณก็มี ที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มีสติปัฏฐาน 4, สี่ที่สหรโคตด้วยปีติก็มีที่สหรโคตด้วยสุขก็มีที่สหรโคดด้วยอุเบกขาก็มีสติปัฏฐานสี่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักและมักเบื้องบนสามสติปัฏฐานสี่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปิมักและมักเบื้องบนสามสติปัฏฐานสี่ที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานก็มี ที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพานก็มีสติปัฏฐานสี่ที่เป็นของเสขาบุคคลก็มีที่เป็นของอเซขาบุคคลก็มีสติปัฏฐานสี่เป็นอป er ปมานะสติปัฏฐานสี่มีอปปามะนะเป็นอารมณ์สติปัฏฐานสี่เป็นชันปรานีสติปัฏฐานสี่ที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนก็มีที่ให้ผลไม่แน่นอนก็มี สติปัฏฐานสี่ไม่ใช่มีมักเป็นอารมณ์สติปัฏฐานสี่ที่มีมักเป็นเหตุก็มีที่มีมักเป็นอธิปดีก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีมักเป็นเหตุหรือมีมักเป็นอธิปดีก็มีสติปัฏฐานสี่ที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มีสติปัฏฐานสี่ที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มี ที่กล่าวไม่ได้ว่ามีอดีตธรรมเป็นอารมณ์มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์หรือมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ก็มีสติปัฏฐานสี่ที่เป็นภายในตนก็มีที่เป็นภายนอกตนก็มีที่เป็นภายในตนและภายนอกตนก็มีสติปัฏฐานสี่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์สติปัฏฐานสี่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้สองทุกขะมาติกาวิสัชนาหนึ่ง เหตุขโคจกกวิสัชนาสติปฐานสี่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุสติปทานสี่สัมปยุทธ์ด้วยเหตุสติปฐานสี่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและมีเหตุหรือมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุสติปฐานสี่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและสัมปยุทธ์ด้วยเหตุหรือสัมปยุทธ์ด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุสติปฐานสี่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุสอง จุลันตะทุกกวิส <Turtle> ัชนาสติปทานสี่มีปัจจัยปรุงแต่งสติปทานสี่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสติปทานสี่เห็นไม่ได้สติปทานสี่กระทบไม่ได้สติปทานสี่ไม่เป็นรูปสติปทานสี่เป็นโลกุตระสติปทานสี่จิตบังดวงรู้ได้สติปทานสี่จิตบังดวงรู้ไม่ได้สาม อาสวะโคจกะวิสัชนาสติประทานสีไม่เป็นอาสวะสติประทานสีไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะสติประธานสี่วิปยุจจากอาสวะสติประธานสี่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะหรือเป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะสติประทานสี่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและสัมยุ์ด้วยอาสวะ หรือสัมปะยุตธ์ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะสติปทานสี่วิปยุทธจากอาสวะสติปทานสี่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะสี่ถึงสิบสัญโยชนะโคจกาธิวิสัชนาสติปทานสี่ไม่เป็นสังโยชน์ไม่เป็นคันถะไม่เป็นโอคะไม่เป็นโยคะไม่เป็นนิวรไม่เป็นปรามาตสติปทานสี่รับรู้อารมณ์ได สติปัฏฐานสี่ไม่เป็นจิตสติปัฏฐานสี่เป็นเจตสิกสติปัฏฐานสี่สัมปยุทธ์ด้วยจิตสติปัฏฐานสี่รับคลกับจิตสติปัฏฐานสี่มีจิตเป็นสมุทฐานสติปัฏฐานสี่เปิดพร้อมกับจิตสติปัฏฐานสี่เป็นไปตามจิตสติปัฏฐานสี่รับคลกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานสติปัฏฐานสี่รับคลกับจิตมีจิตเป็นสมุฐานและเปิพร้อมกับจิต สติปทานสี่รักคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิตสติปทานสี่เป็นภายนอกสติปทานสี่ไม่เป็นอุปาทายรูปสติปทานสี่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ 11-13 อุปาทานะโคจาการทิวิสัชนาสติปทานสี่ไม่เป็นอุปาทานไม่เป็นกิเลส สติปฐานสี่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัคและมักเบื้องบนสามสติปฐานสี่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัคและด้วยมักเบื้องบนสามสติปฐานสี่ที่มีวิตก็มีที่ไม่มีวิตกก็มีสติปฐานสี่ที่มีวิจารก็มีที่ไม่มีวิจาร์ก็มีสติปฐานสี่ที่มีปีติก็มีที่ไม่มีปีติก็มี สติปัฏฐานสี่ที่สหรคตด้วยปีติก็มีที่ไม่สหรคตด้วยปีติก็มีสติปัฏฐานสี่ที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่ไม่สหรคตด้วยสุขก็มีสติปัฏฐานสี่ที่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีที่ไม่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีสติปัฏฐานสี่ไม่เป็นกามาวจรสติปัฏฐานสี่ไม่เป็นรูปาวจรสติปัฏฐานสี่ไม่เป็นอรูปาวจร สติปฐานสี่ไม่นับเนื่องในวัฏทุกข์สติปฐานสี่ที่เป็นเหตุนําออกจากวัฏทุกข์ก็มีที่ไม่เป็นเหตุนําออกจากวัฏทุกข์ก็มีสติปฐานสี่ที่ให้ผลแน่นอนก็มีที่ให้ผลไม่แน่นอนก็มีสติปฐานสี่ไม่มีทำอื่นยิ่งกว่าสติปฐานสี่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ปัญหาปุจจกะจบสติปทานนวิพังจบบริบูรณ์ สมมตประธานวิพังหนึ่งสุตันตะภาชนีสมมตประทานสี่ได้แก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งสร้างฉันทะพยายามปรารบความเพียนประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อป้องกันบาปอากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิด 2. สร้างฉันทะพยายามปรารบความเพียนประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อละบาปอากุศลธรรมที่เกิดแล้วสา สร้างฉันทะพยายามปรารักความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อยังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดสี่สร้างฉันทะพยายามปรารักความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อความดำรงอยู่ไม่เลือนหายพิญโยภาพไพ่บู์เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรถรมที่เกิดแล้วเพียรป้องกันบาปอ ก, กุศลธรถถรมที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิด พิสุสร้างฉันทะพยายามปรารบความเพียประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดเป็นอย่างไรบรรดาธรรมเหล่านั้นบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเป็นไนอกุศลมูลสามคือโลภะโทสะโมหะและกิเลสที่ตั้งอยู่ในฐานเดียวกับอกุศลมูลนั้นได้แก่เวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขัน ที่สัมปยุตด้วยอกุศลมูลนั้นและกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมที่มีอกุศลมูลนั้นเป็นสมุทฐานทำเหล่านี้เรียกว่าบาปอากุศสรธรรมที่ยังไม่เกิดพิสุสร้างฉันทะพยายามปรารุความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อป้องกันบาปอากุโสรธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดด้วยประการฉนิในคําว่าสร้างฉันทะนั้นฉันทะเป็นไน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 สัมมาวายามะนี้เรียกว่าความพยายามพิกษุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้วเข้าไปถึงแล้วด้วยดีเข้ามาถึงแล้วเข้ามาถึงแล้วด้วยดีเข้าถึงแล้วเข้าถึงแล้วด้วยดีประกอบแล้วด้วยความพยายามนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าพยายามในคําว่าปรารบความเพียรนั้นความเพียรเป็นไนการปรารบความเพียรทางใจสัมมาวายามะ นี้เรียกว่าความเพียรพิสุปรารบปรารกด้วยดีเศรษเจริญทำให้มากซึ่งความเพียร น, นี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าปรารบความเพียรในคำว่าประคองจิตนั้นจิตเป็นชนหนจิตมโนโมานัตมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าจิตพิสุ ป, ประคองประคองด้วยดีอุปัปาคำชูจิตนี้ เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าประคองจิตในคําว่ามุ่งมั่นนั้นความมุ่งมั่นเป็นไนาการปรารกความเพียรทางใจสัมมาวายามะนี้เรียกว่าความมุ่งมั่นภิกษุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้วประกอบแล้วด้วยความมุ่งมั่นนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ามุ่งมั่นเพียรละบาปอคุศสธรรมที่เกิดแล้ว พิกษุสร้างฉันทะพยายามปรารบความเพียนประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อละบาปอากุโสธรรมที่เกิดแล้วเป็นอย่างไรบรรดาธรรมเหล่านั้นบาปอากุโสธรรมที่เกิดแล้วเป็นชนัยอกุศลมูลสามคือโลภะโทสะและโมหะและกิเลส ท, ที่ตั้งอยู่ในฐานเดียวกันกันกบอกุศสลมูลนั้นได้แก่เวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขัน ที่สังประโยชน์ด้วยอกุศสรณูนั้นและกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมที่มีอกุศสรณูนั้นเป็นสมุทฐานทำเหล่านี้เรียกว่าบาปอากุศสธรรมที่เกิดแล้วพิกษุสร้างฉันทะพยายามปรารบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อละบาปอากุโสรธรรมที่เกิดแล้วเหล่านี้ด้วยประการศนิในคําว่าสร้างฉันทะนั้นฉันทะเป็นไน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 สัมมาวายามะนี้เรียกว่าความพยายามพิสุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้วประกอบแล้วด้วยความพยายามนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าพยายามในคาว่าปรารบความเพียร น, นั้นความเพียรเป็นไนะการปรารบความเพียรทางใจสัมมาวายามะนี้เรียกว่าความเพียรพิสุปรารบปรารบด้วยดีเสพเจริญทำให้มากซึ่งความเพียร น, นี้ เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าปรารุความเพียรในคําว่าประคองจิตนั้นจิตเป็นไนจิตมโนมานต์มโนวิญญาณธาที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าจิตภิกษุประคองประคองด้วยดีอุปถัมขําชูจิตนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าประคองจิตในคําว่ามุ่งมั่นนั้นความมุ่งมั่นเป็นไนาการปรารุความเพียรทางใจสัมมาวายามะ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 กุศลโมลูสามคืออโลภะอโทสะและอโมหะได้แก่เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์ที่สัมพยุดด้วยกุศลมมลนั้นและกายกรรมวจีิกกรรมมนโนกรรมที่มีกุศลมมลนั้นเป็นสมุฐานทมเหล่านี้เรียกว่ากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดภิกษุสร้างฉันทะพยายามปราบรความเพลยนประคองจิต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 กุศลมูลสาคืออโลภะอโทสะและอโมหะได้แก่เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยกุศลมูลนั้นและกายกรรมวัจจกรรมมนโนกรรมที่มีกุศลมูลนั้นเป็นสมุทฐานทำเหล่านี้เรียกว่ากุศลธรรมที่เกิดแล้วภิกษุสร้างฉันทะพยายามปราบความเพียรประคองจิต มุ่งมั่นเพื่อความดำรงอยู่ huh. ไม่เลือนหายพินโยภาพภัยบู์เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดแล้วด้วยประการศนิคำว่าเพื่อความดำรงอยู่อธิบายว่าความดำรงอยู่อันใดนั้นเป็นความไม่เลือนหายความไม่เลือนหายอันใดนั้นเป็นความพิญโยภาพความพิญโยภาพอันใดนั้นเป็นความภัยบู์ความภัยบู์อันใดนั้นเป็นความเจริญ ความเจริญอันใดนั้นเป็นความบริบูรณ์ในคำว่าสร้างฉันทะในคำว่าพยายามในคำว่าปรารบความเพียรในคำว่าประคองจิตในคำว่ามุ่ง ม, มั่นนั้นความมุ่งมั่นเป็นไนาการปรารบความเพียรทางใจสัมมาวายามะนี้เรียกว่าความมุ่งมั่นภิกษุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้วประกอบแล้วด้วยการตั้งความเพียร น, นี้ เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ามุ่งมั่นสุตตันตภาชนีจบสองอภิธรรมภาชนีส ม, มประทานสีได้แก่พิสุในธรรมวินัยนี้หนึ่ง สร้างฉันทะพยายามปรารบความเพียรประคองจิตมุ่งมัน่นเพื่อป้องกันสภาวธรรมที่เป็นบาปอกุศลซึ่งยังไม่เกิดไม่ให้เกิดสองสร้างฉันทะพยายามปรารบความเพียรประคองจิตมุ่งมัน่นเพื่อละสภาวธรรมที่เป็นบาปอกุศลซึ่งเกิดแล้วสามสร้างฉันทะพยายามปรารบความเพียรประคองจิตมุ่งมัน่น เพื่อทําสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งยังไม่เกิดให้เกิดสสร้างฉันทะพยายามปราลบความเพียนประคองจิตบุ่งมั่นเพื่อความดํารงอยู่ไม่เลือนหายพิญโยภาพไพ่บู์เจริญเต็มที่แห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเกิดแล้วเพียนป้องกันสภาวธรรมที่เป็นบาปอากุศลซึ่งยังไม่เกิดไม่ให้เกิดภิกษุสร้างฉันทะ พยายามปรารุบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อป้องกันสภาวะธรรมที่เป็นบาปอคุศลซึ่งยังไม่เกิดไม่ให้เกิดเป็นไฉนะภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัททุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิชฌ์เพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสงัดจากกามบรรลุกฐมฌานที่เป็นทุก ข, ขาปฏิปทาทันทาภิญญาอยู่ในสมัยใด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 ความมุ่งมั่นอย่างไม่ท้อถอยความไม่ทออทิ้งฉันทะความไม่ทออทิ้งธุระความเอาใจใส่ธุระด้วยดีวิริยะวิริยินทรสีวิรยิร ย, รยะพล ะ, ะสัมาวรยามะวิริยะสมโพชงอันเป็นองค์มักนับเนื่องในมักนี้เรียกว่าความพยายามพิษุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้วเข้าไปถึงแล้วด้วยดีเข้ามาถึงแล้วเข้ามาถึงแล้วด้วยดีเข้าถึงแล้ว เข้าถึงแล้วด้วยดีประกอบแล้วด้วยความพยายามนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าพยายามในคำว่าปรารบความเพียร น, นั้นความเพียรเป็นไนการปรารบความเพียรทางใจสัมมาวายามะวิริยะสัมโพชงอันเป็นองค์มักนับหนึ่งในมักนี้เรียกว่าความเพียรภิกษุ ป, ปรารบปรารบด้วยดีเสพเจริญทำให้มากซึ่งความเพียร น, นี้ เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าพรารบความเพียรในคําว่าประคองจิตนั้นจิตเป็นไนจิตมโนมานัตโมโนวิญญาณธาที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าจิตภิกษุประคองประคองด้วยดีอุปถัมภคัมชูจิตนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าประคองจิตในคําว่ามุ่งมั่นนั้นสัมมาประธานความมุ่งมั่นโดยชอบเป็นไน การปรารุความเพียรทางใจสัมมาวายามะวิริยสัมโพชงอันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคนี้เรียกว่าสัมมประทานสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยสัมมประทานเพียรละสภาวธรรมที่เป็นบาปอากุศลซึ่งเกิดแล้วพิสุสร้างฉันทะพยายามปรารุความเพียรประพองจิตมุ่งมั่นเพื่อละสภาวธรรมที่เป็นบาปอากุศลซึ่งเกิดแล้ว เป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุน้ำออกจากวัฏทุก์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสงัดจากการบรรลุปฐมฌานที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าสร้างฉันทะพยายามปราลบ ค, ความเพียรประคองจิต มุ่งมั่นเพื่อละสภาวธรรมที่เป็นบาปอกุศลซึ่งเกิดแล้วในคำว่าสร้างฉันทะในคำว่าพยายามในคำว่าปรารภความเพียรในคำว่าประคองจิตในคำว่ามุ่งมั่นนั้นสัมมประทานเป็นไนการปรารภความเพียรทางใจสัมมาวายามะวิริยสัมโพชงอันเป็นองค์มักนับเนื่องในมักนี้เรียกว่าสัมมประทาน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 เนคําว่ามุ่งมั่นนั้นสัมมาประธานเป็นฉไฉนการปรารบความเพียรทางใจสัมมาวายามะวิริยะสัมโภชงอันเป็นองค์มักนับเนื่องเลยมักนี้เรียกว่าสัมมาประธานสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยสัมมาประธานเพียรรักษาสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเกิดแล้วไม่ให้เสือ่อมภิกษุสร้างฉันทะพยายามปรารบความเพียรประคองจิต มุมั่นเพื่อความดำรงอยู่ไม่เลือนหายพินโยภาพภัยบู์เจริญเต็มที่แห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเกิดแล้วเป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสงัดจากกามบรรลุปฐมฌานที่เป็นทุก ข, ขาปฏิปทาทันทาภิญญาอยู่ในสมัยใด ในสมัยนั้นพิสุชื่อว่าสร้างฉันทะพยายามปรารบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อความดำรงอยู่ไม่เลือนหายพินโยภาพไพยบูนเจริญเต็มที่แห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเกิดแล้วคำว่าเพื่อความดำรงอยู่อธิบายว่าความดำรงอยู่อันใดนั้นเป็นความไม่เละเลือนความไม่เลื อ, ลอนอันใดนั้นเป็นความพินโยภาพ ความพิญโยภาพอันใดนั้นเป็นความไพ่บู์ความไพบู์อันใดนั้นเป็นความเจริญความเจริญอันใดนั้นเป็นความบริบูรณ์ในคําว่าสร้างฉันทะนั้นฉันทะเป็นไฉไรความพอใจการทําความพอใจความเป็นผู้ประสงค์จะทำความฉลาดความพอใจในธรรมนี้เรียกว่าฉันทะพิกษุทําฉันทะให้เกิดให้เกิดด้วยดีให้ตั้งขึ้น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 เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าพยายามในคำว่าปรารภความเพียร น, นั้นความเพียรเป็นไนาการปรารภความเพียรทางใจสัมมาวายามะวิริยะสัมโพชงอันเป็นองค์มรรคนับเนึ่งในมรรคนี้เรียกว่าความเพียรพิสุปรารภปรารบด้วยดีเสดเจริญทำให้มากซึ่งความเพียร น, นี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าปรารภความเพียร ในคําว่าประคองจิตนั้นจิตเป็นไนจิตมโนมานัตมโนวิญญาณธาที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าจิตพิษุประคองประคองด้วยดีอุปถัมภคัมชูจิตนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าประคองจิตในคําว่ามุ่งมั่นนั้นสัมมาประธานเป็นไนาการประารุกความเพียรทางใจสัมมาวายามะวิริยสัมโพชงอันเป็นองค์มรัก นับเนื่องในมัคนี้เรียกว่าสัมมาประธานสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยสัมมาประธานบรรดาธรรมเหล่านั้นสัมมาประธานเป็นไนพิสุในธรรมวินัยนี้เจริญฌานที่เป็นโล ก, กุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏุทุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสงดจากกามบรรลุปฐมฌานที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญา อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นการประารพบความเพียรทางใจสัมมาวายามะวิริยะสัมโพชงอันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคนี้เรียกว่าสัมมประธานสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมพยุด้วยสัมมประธานอภิธรรมภาชนีจบ กสมมติฐานสี่ได้แก่พิสษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งสร้างฉันทะพยายามปรารบความเพีย์ประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อป้องกันสภาวะธรรมที่เป็นบาปอากุศลซึ่งยังไม่เกิดไม่ให้เกิด 2. สร้างฉันทะพยายามปรารบความเพีย์ประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อละสภาวะธรรมที่เป็นบาปอากุศลซึ่งเกิดแล้วสา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 บรรดาสัมมประธานสี่สัมมาประธานเท่าไรเป็นกุศลเท่าไรเป็นอกุศลเท่าไรเป็นอัพยกฤตเท่าไรเป็นเหตุให้สัตว์ ร, ร้องไห้เท่าไรไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้หนึ่งติ ก, กามาติ ก, กาวิสัชนาหนึ่งถึงยี่สิบสองปุสละติ ก, กาทิวิสัชนาสัมมประธานสี่เป็นกุศลอย่างเดียวสัมมาประธานสี่ที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาก็มี ที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมสกุเวทนาก็มีสัมมประธานสี่เป็นเหตุให้เกิดวิบากสัมมประธานสี่รมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุ ป, ปาทานสัมมประธานสี่กิเลสไม่ทําให้เจ้ า, ามองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสสัมมประธานสี่ที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มี สา ม, มประธานสี่ที่สหรโคตด้วยปีติก็มีที่สหรโคตด้วยสุขก็มีที่สหรโคตด้วยอุเบกขาก็มีสา ม, มประธานสี่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามสา ม, มประธานสี่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามสาประธานสี่เป็นเหตุให้ถึงนิพานสา ม, มประธานสี่เป็นของเสขาบุคคลสา ม, มประธานสี่เป็นอปมานะ ส, สมัปทานสี่มีอัปามานะเป็นอารมณ์สมัปทานสีเป็นชั้นปราณีตสมัปทานสี่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนสมัปทานสีไม่ใช่มีมรรคเป็นอารมณ์สมัปทานสีมีมรรคเป็นเหตุสมัปทานสีที่มีมรรคเป็นอธิปดีก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีมรรคเป็นอธิปดีก็มีสมัปทานสีที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มี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 สมมติานสี่มีทำภายนอกตนเป็นอารมณ์สมมติฐานสี่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้สทุกขมาติกาวิสัชนาหนึ่งเหตุโคุยจกกวิสัชนาสมมติฐานสีไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุสมมติฐานสี่สัมพยุด้วยเหตุแต่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและมีเหตุหรือมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุสมมติฐานสี่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและสัมพยุด้วยเหตุ หรือสัมปยุทธ์ด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุสัมระธานสีไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุสองจุลันตระทุกกะวิสัชนาสัมระธานสีมีปัจจัยปรุงแต่งสัมระธานสี่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสัมประธานสีเห็นไม่ได้สัมประธานสี่กระทบไม่ได้สัมะพธานสีไม่เป็นรูปสัมประธานสี่เป็นโลคุตระสัมระธานสี่จิตบางดวงรู้ได้ สมมทานสี่จิตบังดวงรู้ไม่ได้ 3. อาสวะโคจกะวิสัชนาสมมติฐาน4ีไม่เป็นอาสวะสมมติฐาน4ีไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะสมมติฐานสี่วิปยุ์จากอาสวะสมมติฐานสี่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะหรือเป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะสมมติฐานสี่กล่าวไม่ได้ว่า เป็นอาสวะและสัมปยุด้วยอาสวะหรือสัมปยุด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะสมมติฐานสี่วิปยุจจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะสี่ถึงสิบสัญโยชนะโคจกาธิวิสัชนาสมมระฐานสี่ไม่เป็นสังโยชน์ไม่เป็นคันทะไม่เป็นโอคะไม่เป็นโยคะไม่เป็นนิวรณ์ไม่เป็นปรามาต ส, สมมติฐานสี่รับรู้อารมณ์ได้ สมมตทานสีไม่เป็นจิตสมมติฐานสีเป็นเจตสิกสมมติฐานสีสัมพยุทธ์ด้วยจิตสมมติฐานสี่รัคนกับจิตสมมติฐานสี่มีจิตเป็นสมุทฐานสมมติฐานสี่เกิดพร้อมกับจิตสมมติฐานสี่เป็นไปตามจิตสมมติฐานสี่รัควรกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานสมมติฐานสี่รัคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดพร้อมกับจิต สมมติฐานสี่รัคนกับจิตมีจิตเป็นสมุธฐานและเป็นไปตามจิตสมมติฐานสีเป็นภายนอกสมมติฐานสีไม่เป็นอุปาทายรูปสมมติฐานสีกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฐิไม่ยึดถือ 11-13 อุปาทานาโคจกาธิวิสัชนาสมมติฐานสีไม่เป็นอุปาทานไม่เป็นกิเลส สมะปทานสี่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคและมักเบื้องบนสามสมัปทานสี่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคและมักเบื้องบนสามสมัปทานสี่ที่มีวิตกก็มีที่ไม่มีวิตกก็มีสมัปทานสี่ที่มีวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีวิจารณ์ก็มีสมัปทานสี่ที่มีปีติก็มีที่ไม่มีปีติก็มีสมัปทานสี่ที่สหอรคตด้วยปีติก็มี ที่ไม่สหรคตด้วยปีติก็มีสมมติฐานสีที่สหรตด้วยสุขก็มีที่ไ ม, ม่สหรคตด้วยสุขก็มีสมมติฐานสีที่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีที่ไม่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีสมมติฐานสีไม่เป็นกามาวจรสมมติฐานสีไม่เป็นรูปาวจรสมมติฐานสีไม่เป็นอรูปาวจรสมมติฐานสีไม่นับนึงในวัตุุ สมมาประธานสี่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกสมมาประธานสี่ให้ผลแน่นอนสมมาประธานสี่ไม่มีทําอื่นยิ่งกว่าสมมาประธานสี่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ปัญหาปุชกะจบสมมาประธานวิพังจบบริบูรณ์